ความจริงความจริงแล้วเราถ้าเราเฝอดูเป็นเนี่ยมันก็จะมีความรู้สึกที่เป็นเวทนาในส่วนของกายใช่ไหม <c oughs> ตัวเวทนานี่เป็นตัวบอกว่าเรามีรูปมีนามเพราะตัวเวทนาเนี่ยเป็นตัวอา โ, โอตัวแสดงของรูปนามที่เรารู้ว่ามีรูปมีนามคือตัวเวทนาเป็นตัวแสดงต่นั้นเราก็ดู ที่เวทนานะีทีนี้นการที่มีความคิดหรือมีอารมณ์มีอะไรเข้ามาเนี่ยมันก็อยู่ในโครงสร้างของรูปและนามทั้งหมดแต่ถ้าเราจะดูให้มันชัดก็โฟลดูในส่วนที่เวทนานี้ไปเรื่อยๆตามดูการาเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อยๆแต่เราจะต้องมีความ อดทนในการดูโดยที่ไม่ต้องไปแทรกแซงหรือไม่ต้องไปสร้างอะไรท่าสนคติความคิดอะไรขึ้นมาใหม่ดูเท่าที่มันมีอ่ะดูเท่าที่มันมีให้ดูนะทีนี้มันไม่มีในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยถ้าเรายังสงสัยอยู่เนี่ยเราก็ไม่สามารถดูในสิ่งที่มันมีให้ดูเนี่ยได้นานเดี๋ยวต้องหาเรื่องมา ม า, มาคิดเกินกว่าที่มันมีนั่นแหละอันนี้คือตัวปัญห า, าเรียกสังขารแต่ถ้าหากว่าดูเท่าที่มันมีก็คือเวทนาหนักบ้างเบาบ้างสบายบ้างไม่สบายบ้างก็จะมีอยู่แค่นั้นแต่ถ้าหากว่าเกิดมีความคิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็แสดงว่าการดูเวทนาตรงนั้นมันก็จะไม่ได้อยู่ในตัวดูละ มันจะออกจากตัวเวทนาหรือตัวรูปตัวนามเนี่ยไปอยู่ในสังขารคือเรื่องที่เราคิดขึ้นมาเช่นสงสัยว่าไอ้ทําไมมันจึงง่วงไอ้ทําไมมันจึงปวดทําไมมันจึงเมื่อยทาไมจึงคิดนู่นคิดนี่อะไรเนี่ยมันมันเริ่มมาแล้วแสดงว่าสติที่มาดูรูปนามดูเวทนาในขณะนั้นมันมันเริ่มไม่มีกําลังหน้าที่ของเราก็จะต้องปรับปรับ วิทยาบทปรับวิธีการนั่งปรับวิธีการเดินให้ชัดเจนขึ้นเพื่อให้จิตตะล่อมกลับมาอยู่รูปนามคือตัวเวทนาเท่าที่มันมีอยู่ก็จะไม่มีปัญหาการปฏิบัติก็จะเดินหน้าไปเรื่อยๆแต่กรณีที่เราทำไปนานๆแล้วมันเพลินเพราะมันเพลินแล้วมันก็ขอให้เกิดสุกเวทนาบ้างทุกเวทนาบ้างแล้วมันก็จะมีตัวใหม่เกิดขึ้นมาเพราะง่ลืมว่าความเพลินเป็นเหตุ สำคัญที่ก่อให้เกิดตัวอยากตัวปัญหาแทรกซ้อนขึ้นมามากมายจึงระวังความเพลินเพราะในธรรมจักรใช้ว่านั้นที่ราคาสหาคต ะ, ะมีความกํ <c oughs> าหนัดด้วยอํานาจของความเพลินมีความอยากด้วยอํานาจของความเพลินตัวนั้นเป็นเหตุเกิดทุกข์เป็นสมุ ท, ทยัยต้องสังเกต ด, ดูตัวนั้นในช่วงที่เราดูรูปนามดูเวทนาเนี่ยอย่าให้เพลิน ถ้าเพลินมีปัญหาใหม่แทรกทันทีการที่จะไม่เพลินก็คือคอยปรับวิยาปุปปรับความรู้สึกปรับอะไรให้มันพอดีความเพลินก็จะมีเกิดแต่ถ้ามันเกินพอดีเมื่อไหร่ความเพลินก็เกิดอันก็จะเป็นที่มาของก็ไม่ต้องไปต้องการความเงียบหรือไม่เงียบหรอกต้องการดูเท่าที่มันมีอ่ะมันเงียบเพราะมันโดยธรรมชาติละดูเท่าที่มันปรากฏดู เย็นอนอ่อนแข็งขึ้นตึงเจ็บปวดเท่าที่มันมีอ่ะมันเงียบของมันโดยธรรมชาติแล้วแต่ถ้าเราไปต้องการความเงียบยิ่งกว่า น, นั้นแสดงว่ามันไม่ได้ดูเท่าที่มันดูแลเข้าใจไหมไอ้อหายใจให้ลึกทําอะไรก็เยอะก็หยุดหายใจก่อนนะทุกคนต้องทําอะไรก็ต้องหยุดหายใจก่อนสมาชิกว้นพราหก็ทําซึ่งในแง่ของวิธีการแบบนี้ เราเราไม่ต้องการสิ่งเร้าที่มาจากภายนอกเแต่ต้องการสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวเองโดยที่ไม่ต้องใช้สมมติหรือสัญญาณภายนอกเป็นเครื่องเตือนแต่เราใช้สติเป็นตัวเตือนตัวเองแต่สําหรับผู้ใหม่เนี่ยผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นอาจจะจําเป็นใช้สิ่งเร้าภายนอกให้เกิดแรงจูงใจก็ก็ดีระดับหนึ่งแต่ว่าไม่ควรติดอยู่แค่นั้นเพราะว่าใน ทุกเคยทนาเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่แรงพอกว่าละครไม่เชื่อคุณนั่งนั่งในท่าเดียวเป็นนานๆดูสักสิบนาที20่ินาทีนะสัญญาณตัวนั้นมันดังกว่าละคงอีกนะเสเสที่ที่ที่ที่ที่ทีเห็นนี่ยตรงนั้นของจริงเลยละแต่ละคัรใช้เป็นตัวเตือนใช้เป็นตัวปลุกเราให้เกิดความรู้สึกให้เกิดศรัทธาแต่ในวิธีการวัฏเทียนนั้นเราข้ามจุดนี้ไปแล้ว เพราะนในวิธีการของบัานพลังที่มาใช้ในเมืองไทยเนี่ยก็สําหรับคนหนุ่มสาวนักศึกษาเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็จะได้ผดลระดับหนึ่งแต่ว่าสําหรับคนทั่วไปที่เข้าใจถึงเรื่องเศรษีประธานสูตรปฏิบัติระดับเวทระระดับเป็นนักภาวนามาแล้วเนี่ยก็ก็เห็นว่าเป็นเรื่องเด็กๆไปเป็นเรื่องคนริ่มต้นแต่ถ้าหากว่าเรามีาการภาวนาบ่อยๆเราจะเห็นว่าไอ้ตัว เวทนาที่มันอยู่ในตัวของเราเนี่ยมันเตือนได้ดีฝ่าระครังเตือนทุกๆนาทีได้สั่งไประครังนา น, นานเตือนทีหนึ่งเยอะหลายชั่วโมงเตือนทีแต่เวทนาที่มันเตือนอยู่ในตัวเรามันเตือนทุกๆครั้งที่มันรู้สึกปวดรู้สึกเจ็บรู้สึกแสบรู้สึกคันรู้สึกขัดตรงนั้นตรงเนี้แต่เราจะฟังสัญญาณเขาออกหรือเปล่าเวทนาตัวนี้ต่างหากที่เป็นระครังดังกว่าระครังภายนอก เรเห็นทุกเวทนาปั๊บไม่มีกําลังใจเลยเราจะได้เปลี่ยนอีกแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนดี่ไหมเออพอเปลี่ยนพักบเนี่สึกเออมันเบาขึ้นทันทีแล้วก็มีกําลังใจที่จะปฏิบัติต่อไปทําแค่เนี้ยมันก็จะเป็นสัญญาณให้เราได้รู้ตลอดเวลาเตือนที่ชัดกว่าระครังระครังเป็นสิ่งเล้าภายนอกซึ่งอาศัยปรุงอาศัยสังขารหลายอย่าง อาศัยคนตีอาศัยละคังอาศัยเสียงทีนี่คนถ้าลราคนที่เขาอยู่ด้วยเขาไม่ชอบอ่ะนี่แล้วเขาก็าอยานี้เป็นยังไงเขาหน้าเล็น้องนี่ก็จะเป็นเรื่องอีกแต่ถ้าทุกคนใช้ตัวทุกขเวทนาเป็นสัญญาณก็จะทําให้เราปลุกเราแล้วก็เตือนตัวเองได้ไวกว่านั่ก็ดีกว่าใช่ไหมเป็นวิปัสนาด้วยแต่สัญญาละคขังเป็นสมถะอยู่เข้าใจไหมโอเค ความจริงแล้วนี่เราการจริยสติเรต้องการเปลี่ยนตัวเองนะฮะเปลี่ยนใจตัวเองเราต้องเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ได้ก่อนแล้วมันถึงจะไปเปลี่ยนข้างนอกได้ถ้าเราเปลี่ยนชีวิตจิตใจของตัวเองยังไม่ได้เนี่ยทุวนเนี่ยเรามุ่งที่จะเปลี่ยนสังคมมันเลยเกิดปัญหาใช่ไหมแต่ไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองตัวเองเป็นคน อ, อย่างไรในะขณะที่ปฏิบัตินเนี่ยเรา เราเป็นคนชอบเพลินก็ต้องเปลี่ยนให้มามีความตื่นตัวไม่เพลินซะเราเป็นคนขี้เศร้าก็เปลี่ยนเป็นคนตื่นเดียวขึ้นทีมเราเป็นคนขี้เกียจก็เปลี่ยนมาเป็นคนขยันขึ้นเราเป็นคนขี้หลงขี้ลืมก็รู้สึกทําอะไรคอยระลึกระมัดระวังขึ้นเปลี่ยนเล็กเล็ ก, ลกลน้อยนีดซะก่อนนะเราเคยทําอะไรปุ๊บปั๊บนะก็เปลี่ยนมาเป็นตั้งสติในการนี้ขึ้น เปลี่ยนจุดนี้ให้ได้ก่อนพราะเปลี่ยนจุดนี้ได้เนี่ยมันก็เปลี่ยนได้ทั้งหมดเลยเปลี่ยนไดท้ทั้งหมดชีวิตของเราเนะแต่ถ้าหากว่าเปลี่ยนตัวนี้ไม่ได้การคิดเปลี่ยนสังคมนี้คือการที่เราแบกเอาโลกมาแบกเอาไว้ก็จะทุกข์เพิ่มทุกข์อะไรต่างๆดังนั้นก็ทุกอย่างจะองรื้อริ่มหนึ่งที่ตัวเองเสมอนะถ้าเราจะเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาเรียกว่า transform เปลี่ยนจากความาถ้าเราปฏิบัติเจริญสิริให้ถูกแล้วเนี่ยเราจะเปลี่ยนความโลภหรือราคะเนี่ยให้เป็นเมตตาจะมองดูอะไรได้วยจิตที่ละเอียดขึ้นด้วยความเปลี่ยนจากตัวที่เราเห็นตัวเองเป็นหนึ่งเนี่ยเริ่มให้เห็นกระจายตัวเองออกเปลี่ยนดูตัวเองให้ออกว่าตัวเองจริงๆแล้ว มันคืออะไรนะดูตรงนี้เปลี่ยนจากว่าเราเป็นหญิงเป็นชายเป็นคนนั้นคนนี้เนี่ยพอปฏิบัติเจริญสติมากเข้ามากเข้าสแกนเห็นตัวเองชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นมันในสุดจิตของเราก็กลับมาบ่อยเข้าบ่อยเข้ามันก็จะมาเห็นตัวเองที่เคยเป็นดุลเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นหญิงเป็นชายความรู้สึกนี้มันก็ค่อยหายไปมันจะเหลือแต่เป็นความทุกขเวทนา ก็เรามุ่งดูทุกใช่ไหมแล้วก็เห็นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่า น, นั้นตั้งอยู่ทุกเทนั้นดับไปเราเห็นทุกวันทุกเวลาทุกนาทีจนกระทั่งไอ้สัญญาณแห่งเวทนาที่มันเร้าใจของเราอยู่ชัดเจนขึ้นเรืเ่อยๆนะเราก็จะลืมนึกถึงเรื่องของรูปร่างตัวตัวใดๆที่เราเคยมีตัวนั้นเริ่มหายไปมันจะเปลี่ยนตัวนี้ให้ได้ก่อนถ้าเปลี่ยนตัวนี้ไม่ได้นะมันก็ยังเอาตัวตวนออกไม่ได้เพราะฉะนั้นไอ้แกนแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง มันก็อาตัวตนเข้าไปเปลี่ยนแปลงก็มันก็จะเกิดการคอนฟ lict เกิดความขัดแย้งอะไรต่างๆขึ้นซึ่งส่วนใหญ่เขาก็ต้องการคิดที่จะช่วยเหลือผู้อื่นเปลี่ยนแปลงผู้อื่นเป็นความใฝ่ดีนะเป็นเจตนาดีแต่ว่ามันก็ยังเป็นทุกข์อยู่เรายังไม่ยอมมองเห็นความจริง ถ้ามองเห็นความจริงแล้วเนี่ยเราทําตามความที่เป็นจริงเนี่ยความดีมันเกิดขึ้นเองแต่ถ้าเราไม่เห็นความจริงเรามีความใ่ดีเฉยๆโดยที่ไม่รู้ความจริงเขาเปลี่ยนแปลงมันกลายเป็นความทุกข์มันเกิดเป็นความไม่ดีขึ้นมาก็พยายามหาวิธีเปลี่ยนแปลงตัวเองด้วยการเจริญสติเนี่ยไปเรื่อยๆเปลี่ยน โลภะเปลี่ยนราคะให้เป็นเมตตาเปลี่ยนโทสะให้เป็นพลังของสมาธิเปลี่ยนโมหะให้เป็นพลังแสงสว่างให้ความรู้สึกตัวให้ได้ซะกอ่อนอ๋อมันถ้าเราเปลี่ยนที่ตัวเองแล้วเนี่ยเราจะเห็นคุณค่าใหม่และจะยอมรับคุณค่าใหม่ที่ที่เป็นจริง น, นะเพราะว่าถ้าเราเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วเนี่ยเราจะเริ่มเห็นคุณค่าของในตัวคนอื่น เราเห็นคุณค่าโดยตรงอื่นทัศนคติเราก็จะเปลี่ยนไปในการมองเราจะเปลี่ยนไปเมื่อก่อนเราเห็นคนนั้นเป็นเพื่อนรักคนนี้เป็นเพื่อนถูกชิตาคนที่เป็นเพื่อนไม่ถูกชะตาอะไรเนี่ยแล้วก็จะมีทัศนคติต่อคนตามตามกรอบของเรานะแต่เพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเอากรอบอุดมิตรออกก่อนกรอบแห่งอัตตานี้ออกให้ได้ก่อนเราจะมองเมื่อมองเห็นเราเป็นรูปกับนามแล้วเราต้องดูจนกระทั่งเนี่ย ให้ความเห็นตัวเราเป็นรูปกับนามมันเข้มจนกระทั่งเราสามารถมองคนเห็นคนอื่นเป็นรูปกับนามให้ได้แล้วคุณค่าทุกอย่างจะเปลี่ยนหมดแต่ส่วนจะเปลี่ยนอย่างไรนั้นเมื่อถึงเวลาแต่ถ้าหากตราบใดที่เรายังเปลี่ยนทัศนคติที่ว่าเรามองตัวเองเป็นตัวตนเป็นอัตตาเป็นผู้หญิงผู้ชายอยู่เนี่ยการมองคนอื่นก็จะเป็นอย่างนั้นอยู่เราก็จะไปเปลี่ยนเขาไม่ได้ก็หมายถึงรู้จักตัวเองก่อน ก่อนที่จะรู้จักคุณค่ารู้จักการเปลี่ยนแปลงตัวเองรู้จักจ ก, กําหนดตัวเองรู้จักวิถีชีวิตของความคิดจิตใจความเป็นไปของรูปของนามตัวเองให้ชัดเจนจนกระทั่งว่าชำนิชำนาญ น, นะนะแล้วสังคมภายนอกเราจะแก้ไขกําหนดคุณค่าอะไรอย่างไรเนี่เราจะรู้วิธีของเราเองมันจะไม่มีทฤษฎีตายตัวแต่ละคนก็จะมีทฤษฎีของตัวเองแต่ขอให้เราเข้าถึงตัวเองให้ได้เสก่อน นะเปลี่ยนวิธีการยืนเปลี่ยนวิธีการเดินเปลี่ยนวิธีการนั่งเปลี่ยนวิธีการนอนเปลี่ยนวิธีการกินเปลี่ยนวิธีการอไต่างๆนะอู้สนุกดูกันเปลี่ยนแปลงตัวนี้นให้ได้ก่อนอเข้าใจไหมเออนั่นคือคําตอบถูกไม่ถูกก็คืออย่างนี้แหละที <laughs> <laughs> ่แล่นะั่ง <c oughs> คือบินลําบากใจที่เจียมในสติยากที่สุดตอนไหนด้ ตอนที่ไม่ได้ถามคนให้ที่นั่งเราอะเราไม่ได้บอกว่าเราเป็นพระหรือเป็นโยมนี่นะมันให้มาเอา้าที่นั่งมาติดผู้หญิงนี่วะได้งไงนะตรงนั้นเราจะเรยสติยากเลยเนะี่ยแล้วที่กะถ้าถ้าเขาเปลี่ยนกับคนทั้งบุญได้แล้วเขาเปลี่ยนถ้าเขาเปลี่ยนคน ไ, ได้เราก็นั่งตัวแข็งทื่อตลอดเลยนะกระดึกกระดิไปไหนเพราะนั้นวิธีการยังไง วีการลักษณะอย่างนั้นก็คือต้องรวมรวมจิตของเราเข้ามาและส่วนใหญ่พอก็แปลกนะที่เขานั่งเครื่องกันนะเขาเกิดเครื่องบินตกลุมอากาศเครื่องบินมีปัญหาบางทีบินมาครึ่งทางแล้วเกิดปัญหากลับไปต้นเดิมมันะมาไม่เคยเป็นเครื่องบินก็มันจะโชคดีไงไม่รู้นะก็คือการได้ทําเจริญสติได้นั่งสมาธิหลายชั่วโมงถ้าหากว่า <c oughs> วิกฤตอากาศ อะไรต่างๆแล้วก็เข้าสมาธิไปเลยคือให้พ้นช่วงวิกฤตันไป <c oughs> นก็นั่งสมาธิเราเข้าสมาธิไปแล้ว ก, ก็มีโอกาสได้ทําช่วงยาวแล้วก็ลืมหมด น, นะการปวดก า, การเมื่อยการเพียเมาเราตื่นอีกทีหนึ่งก็แต่เมื่อมันถึงที่และอย่างเงี้ยมันก็ได้ทําสมาธิในช่วงยาวก็ มีโอกาสได้ทํางานบางครั้งเราไม่พร้อมตรงนั้นแล้วก็อางานมาทำํำนะวันนี้ติดคอมมาด้วยแล้วก็ตัดรอพี่โอ้ทาพีเอ็มีทแท็กตรวจต้นฉบับอะไรไว้ตลอดถ้าเราช่วงที่เราไม่พร้อมแต่เราพร้อมพร้อมกับเข้าสมาธิไปมีอยู่ครั้งหนึ่งนั่งไปแล้วมันหลับไปหลับไปแล้วมันฝันฝันว่าเครึ่องที่เรานั่งมันไปลงกลางป่า อลงกางป่าแล้วเครื่องมันขึ้นไม่ได้ทำเฮ้ทําไมมาลงตรงนี้เครื่องนี้จนกระทั่งมันแก้ไขเครื่องขึ้นเครื่องขึ้นได้ใหม่เอาตื่นขึ้นมาเอาเครื่องมันบินอยู่แล้วแสดงมันลงไปเรียบร้อยแนละ้วบางครั้งมันในช่วงที่ยาวๆหลายๆชั่วโมงตั้งสิบกว่าชั่วโมงอย่างเมืองไทยสิบสี่สิบห้าชั่วโมง เพราะนั้นก็มีโอกาสที่เราได้เจริญสติได้ยาวมากนั่นนะก็อาศัยการปฏิบัติเขามาอาศัยช่วงนี่แหละช่วงเดินทางอะไรที่เราเดยเฉพาะที่อเมริกาที่เขาไม่ได้มายุ่งกันแบบคนไทยนะคนไทยเหมือนเหมือนเหมือนในบวกใหญ่ๆนะ้ำคุณคุนขุนหมดแหละปลาเยอะแยะบวกเล็กๆนี่นะแต่ถ้าเราไปทางข้างนอกมันเหมือนเราอยู่ในเลกในาสาส์เลก ทะเลสาบใหญ่ๆที่น้านะําใสเนี่ยจะเป็นอย่างนั้นไม่ว่าผู้คนอะไรเนี่ยมักเป็นส่วนตัวได้มากทํางานได้มากปฏิบัติได้มากกว่าถ้าเราไปอยู่ข้างนอกพราะคนไม่เกี่ยวข้องกันเมื่อมีธุระที่จะไปมาหากันหรือเขาจะไปบ้านใครสักคนจูู่ไปอย่างแบบเราไม่ได้ใช่ไหมเราก็ต้องมีนัดมีโทรอะไรไปบอกเขาจะมาหาเราก็ต้องโทรบอกไม่ใช่จู่ๆมาหาเราเลย แต่เมืองเรานี่ไปกันมีเท่าไหร่เจอไปกันทะลุอุบากหมดไม่มีการนัดนอันนี้เป็นการรบกวนกับเป็นส่วนตัวในเมืองไทยเราไม่มีขอบเขตในเรื่องนี้เลยมันจึงปัญหาเรื่องเยอะเลยเพราะฉะนั้นการเจริญสติในการเดินทางจะทําได้ดีมากเพราะมันช่วงยาวนะจริงแล้วนี่ ห <laughs> วพก็ชอบใช้วิธีของแกฟังการบรรยาย ấy, สิวันนี้นะก็ก็ได้อุบายทำอะไรหลายอย่างนะแกเข้าเข้าเข้าใจใช้อุปมาอะไรหลายอย่างดีแล้วคนก็ติดมันก็เป็นสูตรสำเร็จแต่ว่าในการท่า <laughs> นใช้คําว่า s e n ซนเซชั ation, ไม่ได้ใช้ Feeling เท่าไหร่นะใช้ s e n บอดดิลี่เซน คือในแง่ของว่าคําว่าเซนกับฟีลลิ่งเนี่ยโกเนง่าให้คําว่าเซนต์คว่าเซนเนี่ยเป็นความรู้สึกทางกายใช่ไหมแต่ไอ้ฟีลลิ่งเนี่ยเป็นความรู้สึกทางจิตดังนั้นในแง่ของวิปัสสนาเนี่ยเราจะใช้คําว่าฟีลลิ่งแต่ในโกเนง้าเนี่ยเขาท่านบอกว่าเป็นวิปัสสนาแต่ความจริงมันเป็นสมถะ <c oughs> เป็นสมถะเพราะเขาใช้เซสชั่นเวทนาระดับกายอืเพราะฉะนั้นมีหลายคนที่ไปฝึกมาแล้วเนี่ย ที่เซนโกมีสมีสองคนก็ เ, เป็นพี่น้องฟาแฟดเขาไปฝึกของโกวนก้ามาที่นี้คนคนพี่เออคนน้องก็ผ่านคนพี่เดี๋ยวชื่อเขาคุณพระคำมนคุณชุติมลเนี่ยก็มาเข้าปฏิบัติกับเราหลังจากที่ไปผ่านโกวนก้ามาเขาบอกเขาทําได้หกวันเนี่ยจิตเขาหลุดเข้าไปสู่มิติที่ว่า มันทิ้งมันปล่อยวางได้หมดเลยนะแล้วก็สามารถรู้เห็นว่าใครอยู่ห้องไหนอาจารย์นั่งปฏิบัติยังไงนี่เขาเขาจะเห็นทั้งหมดเลยทีนี้เขาก็สงสัยว่าเขาไปเห็นได้ไงคนนั้นทำเขาเห็นหมดเลยขเขาไปถามอาจารย์คนคุมซึ่งไม่ใช่ตัวเอ ง, เองกับโกเองก้านะเป็นพี่เลี้ยงก็ถามพี่เลี้ยงเขาบอกเขาขเขาไม่สามารถจะสอบอารมณ์ให้ได้เขาให้หยุดเลย เขาไม่ไม่ได้ให้อยู่ต่อตำริต้องอยู่สิบวันคอหนูงสัยที่ามหลวพบอกว่าคือถ้าหนแค่เข้าใจความเข้าใจของหนก็คือสมาธิคือสมอใช่คะทีนี้ถ้าเราหลตาเราก็จะหยสตรงนี้อ๋อ คือในความรู้สึกตัวนี่แหละแต่ว่าเป็นการเพ่งเป็นการเพ่งเข้าไปซึ่งจิตของเราเนี่มันมีเขามีอนุภาพถ้ามันเพ่งไปไหนนานๆมันจะเกิดอะไรต่ออะไรมากมายเลยขึ้นมาทําให้เราไม่มีสติที่เรารู้ไม่ทันต่อสิ่งเหล่านั้นจิตของเรามันก็จะไปหลงอาการเหล่านั้นเพราะเพ่งไปนานๆมันเป็นสมาธิแล้วมันกลายเป็นนิมิตอะไรประหลาดๆที่เรียกว่าเป็นจินดาญาเนี่ยนะ ซึ่งตัวนี้คนหลายคนที่ทเพี้ยนเพราะวิธีการของตัวท่านโกวรนกาเพราะว่าคนที่มาคุมเนี่ยไม่ใช่ตัวโกวรนกาเป็นพี่เลี้ยงเป็นธรรมอาจารย์สถานธรรมตรงนั้นนะนะทีนี้พอคนอเขานั่งทีจะเป็นเป็นวันวันละบชั่วโมงแล้ว8ดวัน9วันเนี่ย แต่ละวันก็ก็จะมีสูตรวันนี้คุณต้องรู้เรื่องนี้วันที่สองคุณต้องรู้อันนี้วันที่สามคุณต้องรู้วันนี้คุณที่สี่ต้องรู้คือผู้ปฏิบัติเนี่ยจะรู้ตามนั้นหรือไม่เนี่ยไม่สําคัญแต่เขอให้ทําตามขั้นอนนั้นซึ่งมันเป็นสูตรใจตัวเหมือนกับสูตรทําอาหารเนี่ยคุณต้องทําอย่างๆๆนี้เนี่ยทีนี้เขาไม่คํานึงว่าคนทำเนี่ยเป็นหรือไม่เป็นเขาวางสูตรเอาไว้นั้นถ้าคุณไม่ทํเขาจะคุณทําให้เป็นก็จะแสดงว่าคุณทําไม่ถูกที่งเขาก็ไม่รับผิดชอบตรงนั้น หลายคนที่ไปทำแล้วเกิดผิดเพี้ยนมาเนี่ยมามาแก้กับพ่อหลายคนนะนะซึ่งตรงนี้มันเป็นสมถะแบบเพ่งแล้วก็สร้างอุปทานขึ้นมาโดยการดูแอร์เรียแต่ร่างกายเนี่ยที่แจุดแตจุดสมมติว่าในขณะที่เรานั่งเนี่ยขณะนี้ทุกเวทนานมันจับที่หลังที่เอวที่ไหล่ที่ทอะโคกอย่างนี้นะแต่ถ้ายังไม่ถึงลำดับที่เขาจะพิจารณาลงไปถึงเนี่ยเขาก็ไม่ให้พิจารณาตรงนั้นสมมติขณะนี้ พิจารณาในส่วนที่หัวนี่นะเขาก็ยาให้สแกนดูทุกหัวทุกส่วนเป็นอะไระะช่วงจะมาเอามามาถึงช่วที่แขนกนะ็ให้ดูดูอาการน้ำแขนงอ่ยตลอดลำดับลงมาเรืเ่อยๆนะตั้งแต่หัวจนเท้าซึ่งตรงนี้มันไม่ตรงกระหตต แต่เหตุที่มันเกิดทุกขเวทนาบีบคั้นเราเนี่ยมาอยู่ตรงที่หลังที่เอวที่จะโขกใช่ไหมแทนที่เราจะไปแก้ไขตเหตุตรงนั้นก่อนเหตุเกิดที่ไหนต้องแก้ที่นั่นก่อนแต่ที่นี้ในการพิจารณาในหัวในไหลในตั ว, ใน ต, วในต่างๆซึ่งมันไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเหตุอะไรเลยนะแต่เราก็ไปสร้างเหตุตรงนั้นขึ้นมาตรงเนี้ยมันเป็นตัวสังขารที่เราจินตนาการขึ้นมาซึ่งท่านเข้าใจว่าเป็นตัวมิปสัสนาซึ่งมันไม่ใช่ พราะวิปสัสสนาต้องเห็นสภาเหตุที่เกิดเหตุที่ภายนอกเกิดเหตุภายในเกิดทั้งภายนอกกัยในเกิดเหตุที่เป็นสมุทัยะเกิดให้เป็นวิยธรมาเกิดเหตุเป็นทั้งสองอย่างทั้งสมุทยัยมันเกิดขึ้นกันนั้นก็ให้ดูในส่วนนั้นก่อนแก้ไขส่วนนั้นได้ <c oughs> ว่าดูที่เหตุแต่สิ่งที่เกณฑ์ข้าสอนเนี่ยบางทีมันไม่ได้ดูที่เหตุดูตามสูตรซึ่งมันก็ขอให้เกิดความอ่าเขาเรียกอะไรเข้าใจไม่ถูกเหตุอ่ะ วิปัสสนาก็ไม่ใช่อย่างนั้ น, นการมันเป็นสมถะแล้วก็คนที่มาดูแลการปฏิบัติเขาก็ไม่มีประสบการณ์เพราะแต่ละคนเนี่ยก็มีแบบของแต่ละคนไปใช่ไหมดังนั้นเองในจุด น, นี้ตามที่เคยฟังเคยศึกษาจากซีดีของเขาเคยฟังจากผู้ปฏิบัติมาเล่าให้ฟังเนี่ยดูแล้วนี่มันถ้าตัวของคนเองกล้าไปอบรมเองนะโอเค เขาก็คงจะรู้เท่าทันเหตุนั่นแนหะแต่ส่วนใหญ่สถานอบรมของเขาทุกแห่งทั่วโลกเนี่ยก็จะมีแต่พี่เลี้ยงที่เป็นคนที่เป็นลูกศิษย์เคยปฏิบัติกับท่านมาซึ่งไม่ไมาได้เข้าไปรู้ถึงสภาวะภายในซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าคนที่มีประสบการณ์แบบนั้นมาถูกหรือผิดแต่ก็ได้รับมอหมายเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไว้ใจไม่ได้เลยถ้าหากว่าเราผิดพาลาดอะไรไปเขาแก้เราไม่ได้ยม มนคนที่ว่าสูกเชื่อโคนเนี่ยมาแค่บอกว่าหลังจากที่ไปเข้าโดนมาจิตมันเป็นอย่างนั้นนอนไม่หลับเลยหลายวันเพนอนไม่หลับที่ไปมันก็เลยเบอร์พอเบอร์แล้วก็ไปหาหมอไปหาจิตแพทย์ใช่ไหมทางหมอจิตแพทย์ต้องกินยาอยู่ตั้งตั้งหลายหลายปีแล้วเขาก็รู้จักวิธีการนี่มาเขามาฝึกพอฝึกพอมาตั้งกำหนดรู้ตัวสติตามที่เห็นก็ไอตัวนั้นก็หลุดไป เนี่ยถ้าเราไปฝึกกับคนที่ไม่มีประสบการณ์ตรงนะโดยการฝึกมาแบบนั้นตามทดสอบนอันตรายเพราะจิตของเราเนี่ยมันจะไปไวมากนีถึงคถามสคัญ ส, สุสดท้ายคา่ะมคาอว่า้อย่างั้นวิธีการของหลวอะคะที่พูดว่ารู้สึกตัวทพร้อมอืรู้สึกตัวทั่วพร้อมขณะ น, นี้รู้ไหมว่า นั่งอยู่เนี่ยความรู้สึกในตัวของเราเนี่ยชัดเจนอยู่ที่ไหนความรู้สึกตัวที่ชัดเจนที่สุดในขณะนี้อยู่ที่ไหนในขณะนี้อืมอยู่ที่ากออ ค, คุณนั่งมานานเป็นชั่วโมงแล้วคุณไม่รู้สึกอะไรเยอยฮะอันแเปลี่ยนท่าใช่ไหม <c oughs> แล้วรู้สึกสบายหรือไม่สบาย สบายมากหรือสบายน้อย uh, สบาย ก, กลางๆเ น, mm hmm. นี่ยการที่เข้าไปรู้รู้สึกตัวชัดๆว่ามันเป็นอย่างไรนะรู้ตรงนั้นนะที่มันรู้สึกชัดๆนั่นแหละว่าสามารถออกว่าเออรู้สึกมันเข้มหรือหนักไปหน่วงไปสบายไม่สบายให้เห็นอาการอย่างนั้นะชัดเจนนี่เขาเรียกรู้สึกตัวทั่วพร้อมไม่ใช่รู้ทั้งหมดนะอาการที่มันชัดตรงไหนให้รู้ตรงนั้น สัมปชัญญะเบลรูปตัวทั่วชัดๆัดบางทีทั่วพร้อมภาษามันพาไปอืมเข้าใจไหมคือคือนั่งอยู่ตรงเนี้ยเวทนาที่เรานั่งทับอยู่หนักหน่วงหรือเบาบางหรือสบายแล้วก็นั่งกายเนี่ยความเย็นร้อนอ่อนแข็งขึ้งตึงปรากฏในส่วนไหนของร่างกายบ้างใช่ไหมแล้วขนาดยกข่าแขนเนี่ยส่วนหนึ่งแล้ว ยกก็ไม่ใช่ว่าจะรู้แต่ยกอย่างเดียวในส่วนอื่นที่แต่พกที่เรานั่งนั่งเนี่ยมันก็หนักหนึกอยู่หลังที่หนักมานานร่างกายอาจจะรู้สึกเย็นนิดอุ่นหน่อยแล้อนิดตึงหน่อยอะไรพวกนี้นะหายใจลึกตื้นเนี่ยรู้สึกไหมที่ชัดที่ถือตอนของหูคือรู้สึกถึงอาการเหมือนตับเสือมข้าง like ในแล้วก็ตรปากเหมืนเป็นอาการอยากพูดอ่ะ ตัวนั้นเราเพ่งตั้งใจกินไปมันก็ให้เกิดตัวตัวอุปทานเข้าไปตรงนั้นนะเพราะฉะนั้นวางวางจิตในการเฝ้าดูลูบนามเนี่นะพยายามเฝ้าดูด้วยจิตเป็นกลางแล้วก็รู้ในส่วนที่มันปรากฏชัดๆขณะที่เรานั่งเนี่ยอาการเย็นอเลือนอ่อนแข็งทึงตึงมีอยู่ใช่ไหมการเจ็บปวดหนังงงทึบทับอยู่ในตะโพกในเอวของเรามีอยู่ใช่ไหมหายใจเข้าออกสั้นยาวมีอยูอ่การพูดการขยับปากมีอยู่พับตา เคลื่อนไหวมีอยู่ใช่ไหมการรับรู้เหล๋ยวนี้แบบจิตเป็นกลางๆเนี่ยรู้ตัวพวกพร้อมอันนี้คือเรียกว่าสัมภาชญยะแต่ในตัวตัวที่เราก็ยกมือเนี่ยให้รู้สึกรู้สึกก่ามือเคลื่อนที่ในจุดในจุดตัวนี้เป็นสติรู้เป็นจุดๆนี่นะและจุดตัวนี้ก็จะไปเชื่อมกับจุดใหญ่คืออาการเล็กๆน้อยๆเท่าที่เรารู้สึกชัดๆที่รู้ได้เนี่ยโดยที่ไม่ต้องจินตนาการไม่ต้องไป ไอ้ครีเอทอะไรขึ้นมานะเพียงแต่รู้เท่าที่มันรู้นี่แหละ mm hmm. ก็เรียกว่าตัวสมมชยญยะถ้าสองอย่างนี้โดยที่ไม่เพ่งไม่จ้องโดยจิตเป็นกลางถ้าจิตไม่เป็นกลางมันจะไปกดเพ่งจ้องหนักหน่วงตั้งใจเกินไปก็จะมีอุปทานขึ้นมาสร้างอุปทานขึ้นมาโดยตัวของมันเองลักษณะนี้เกินหน้าที่ของสติสมัชย์ะและ้วในกายเป็นอภิชาตันหาอุปทานไปโดยปริยายซึ่งตรงนั้นเป็น ส่วนหนึ่งที่จะเป็นสมุทัยให้เกิดในที่สุดพอเพ่งนานๆแล้วเกิดการอาการ <c oughs> กดเกง่งเพ่งจ้องแล้วจิตของเราก็จะสร้างนิมิตทีอะไรขึ้นมาเกิดเป็นแรงสั่นสะเทือนเกิดเป็นแรงพลังอะไรขึ้นมาอย่างที่เราฟังบ่อยๆใช่ไหมพลังนั้นพลังนี้เอนิชี้ี้อะไรขึ้นมาซึ่งนั้นมันเกินความ <c oughs> จําเป็นที่รู้ตัวรูกก้กลางๆแล้วเพราะฉะนั้นให้รู้ชื่อชื่อเฉยเฉยชัดชัดตรงตรง สบา ย, บายผ่อนคลายแต่ว่าเนื่องจากเรามีพื้นฐานแห่งความโลภโลภะจิตหิศสูงเนี่ยมันจะไปทําอะไรให้มันมากกว่าเท่าที่มันมีอันนี้คือตัวสําคัญเวลาเราปฏิบัติมันจึงเกิดพลังอะไรแปลกๆที่เราเขาทํากันนะซึ่งตรงนี้มันมันเป็นอันตรายถ้าทําไปนานๆโอกาสที่เราจะเข้าไปในมิติต่างๆของความรู้สึกมีเยอะเพราะนั้นต้องกลับมา ถ้ารู้สึกมันมีอะไรเกินเกินต้องต้องปรับเมื่อปรับเพือให้รู้สึกตัวชัดชัดรู้สึกสบายชัดชัดหายใจลึกๆแล้วเขารู้สึกให้ชัดโทษตัวพร้อมพร้อมทำจิตให้สบายเป็นกลางไม่ต้องอยากไปรู้ไม่ต้องไปอยากรู้อยากอะไรรู้เท่าที่มันรู้ไอ้ตัวนี้ก็จิตมันก็จะปรับตัวเข้าสู่ปกติของมันเองคือเนื่องจากว่าคุณมีอุปทานที่ค่อนข้างซับซ้อนนะเพราะเป็นคนเซนสิทีมาก่อนไง หมายความคุณคนวัยวัยต่อความรู้สึกเพราะฉะนั้นมันก็เลยตัวนี้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติทีเดียวนะเพราะฉะนั้นเองคุณคุณจะทําทอะไรเ ล, เ, ลเล่นไม่เป็นมันเลยยากตรงนี้นะเพราะฉะนั้นทําทีเล่นทีจริงรู้จักเล่นมั่งอย่าไปจริงเกินไปถ้าจริงจงเกินไปแล้วคุณจะเครียดแล้วการปฏิบัติแบบนี้จะไม่ได้ผลเพราะารอันก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่ว่าไอ้ความไอ้ความที่เราตั้งใจเกินไปนี่นะ ถ้าจะว่าผิดก็ผิดด้วยความตั้งใจนั้นดีนะแต่ถ้ามันเกินมันไม่ดีตั้งใจแต่พอดีมีคำพ่อเทียนบอกทำเล่นๆแต่รู้จริงๆแต่อย่าทำจริงๆแต่ไปรู้เล่นๆนั่นวะ<ม> เ, เพราะนั้นต้องตรองลดตรงนั้นลงนะให้ทำแบบแบบเล่นๆบ้างทำไปเรื่อยๆแ้ไม่ต้องต้องเอาอะไรไอ้ตัวอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากมีอะไรต่างๆให้ทิ้งกันไปเลยในวิธีการนี้นะ มาเอาตัวรู้เฉยๆนั่นแะทิ้งลักษณะของคุณเนี่ยมันทําใจยากเพราะลักษณะที่เอาจริงเอาจังแล้วก็รู้อะไรอยากจะรู้ลึกรู้ละเอียดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตัวพลังของสติสมาธิของเรายังยังไม่แน่นนะเพราะฉะนั้นมุ่งอย่างเดียวถ้าคุณมุ่งที่ทนทําตัวรู้สึทธตัวให้ชัดเจนไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะไอ้พลังของเซนสิทีฟของคุณมันจะเป็นกลายเป็นพลังปัญญามหาศาลเลยแต่เนื่องจากว่า ความคนที่เซนซิทีฟเนี่ยความอดทนต่ำไงเพราะคนทําเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะมานั่งทนทำอย่างเงี้ยมันทำไม่ได้นานนะเพราะฉะนั้นต้องอยังไงต้องฝืนนะคือฝืนทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆก่อนแล้วคุณจะดีทีหลังไมเยี่ยมเลยแต่ถ้าหากว่าคุณทนไม่ได้มันจะมีอุบัติศกด์มากมายแล้วคุณจะเปลี่ยนวิธีการไปเรื่อยๆอันนี้รู้สึกไม่ถูกจิตเอาไปนู้นนู้นก็ไม่ถูกจิตเอาไปนี่เอาไปเอามานี่มันจะอันตรายเพราะฉะนั้นคุณทนกับวิธีการนี้หน่อยก็แล้วกัน รู้จักทํำเล่นๆสบายๆแล้วก็ปล่อยวางฝึกปล่อยวางให้เป็นคือความสาคัญมั่นหมายอัตราตัวตนเนี่ยมันสูงมันสูงแล้วมันก็จะต้องทําอะไรสักอย่างให้มันได้ผลและวมันสําเร็จแล้วก็ทําอะไรทั้งแง่ทั้งโลกนะคุณอาจจะสําเร็จมาหลายอย่างแต่ว่าด้วยติกิตเี่มันไม่พอเนี่ยมันก็มันก็ทุกข์อ่ะก็พยายามที่จะทำอะไรให้มันดีกว่านั้นด้วยเพราฉะนั้นต้องกลับมาตั้งต้นใหม่ตั้งต้นที่ฐานสติสมาธิที่ ปกติง่ายๆเฉยๆถ้าคุณทนต่อมันได้นะมันจะดีมากเพราะฉะนั้นต้องต้องต้องฝึกความอดทนขึ้นมาอีกระดับหนึ่งถ้าทนอยู่ไอความรู้สึกซื่อๆเฉยๆนี่แหละทนนานๆหน่อยจะปรักไปก็เล่นทําเล่นๆบ้างอย่าไปทําจริงจังถ้าจริงจังตรง น, นั้นน่ะมันโอกาสที่มั น, ม, นมันเกินมันเยอะเมื่อมันเกิดแล้ ว, ลวคือตัวปัญหาเพราะฉะนั้นจะคือคุณเล่นให้เป็นเล่นให้เป็นเน่ยเล่นต่อกันทําอะไรทําเล่นๆให้เป็น โดยที่ไม่มีเป้าหมายเล่นไปแต่ก็ไม่ใช่ขาดสตินะนะแล้วก็ค่อยทำไปพ่อธรมาเมื่อก่อนก็มีปัญหาแบบคุณนี่แหละ <c oughs> แต่ด้วยที่เราเรามีพื้นฐานความอดทนสูงเราเมื่อก็เริ่มทดสอบทดลองไปเรื่อยๆแล้วก็ทนทำทำทนไปเรื่อยๆปรากฏ ว, ว่าเออมันดีที่นี่แต่ว่ามันต้องมีปัญหาวสัสดุเยอะอยู่เพราะว่าไ อ, ไอความเซนซิทีฟคาเซนซิทีฟคือความอ่อนแอชนิดหนึ่งนะ ความอ่อนแทางอารมณ์ที่ไวอะไรต่างเนี่ยจะต้องสร้างพื้นฐานในความรู้สึกที่อดทนเพราะนั้นทํางานคุณต้องทําอะไรที่มันได้ออกกําลังกายเงื่อออกอะไรเนี่ย <c oughs> มันจะดีแต่ว่าลักษณะของคุณคือทางานในออฟฟิศทำงานใ น, Office, น, ในสิ่งที่เกี่ยวข้อมูลละเอียดอะไรพวกเนี่ยมันจะมันก็ทําได้ไวแต่มันก็จะมีปัญหาเยอะซับซ้อนต้องฝึกทํางานอะไรที่ด้วยกําลังกายหนที่มันได้ออกกําลังมันจะมีเวทนาหเห็นชัดชัดแล้วมันจะแก้ไขตัวนี้ได้ เพราะฉะนั้นตรงนี้คุณไม่ต้องถามอะไรอีกเพราะอะไรเพราะว่ามันยังไม่ถึงจุด น, นั้นถึงถามไปมันจะทําให้คุณสับสนเพราะฉะนั้นต้องกลับมาทำสตุภีรหลวงพ่อพูดก็คือสตุว่าทำเล่นๆอ่าทำเล่นๆอ่อันนั้นดีที่สุดไม่ต้องทําจริงๆแล้วมันจะไวใช่หมฟันเหมือนฝืนตรงฝืนตรงความที่ใช่นั่นมันฝืนนิสัยของคุณแน่นอนแต่ว่าคุณไม่มีทางอื่นเลือกเลยเนอกจากทางนี้ แต่ต้องรู้จักทาเล่นๆทาที่เล่นที่จริงไปเมื่อก่อนเราเล่นไม่เป็นแต่พอรู้สึกเล่นอย่างมีสติเนี่ย ก, ก็ได้เหมือนกันฝึกพลิกขาเล่นๆอย่างเงี้ยไม่ต้องจริงจังเล่นเหมือนเด็กแล้วก็ไม่ต้องไปกั้จ้องอะไรอะไรกับมันนะรู้เล่นไปก็เห็นเออมันคลายไปมันสบายเออเดี๋ยวมันก็สังเกตไปใหม่ เข้าใจไหมพยายามทำอย่างเงี้ยบ่อยๆแล้วก็จะดีขึ้นเองทําเล่นๆสบายๆฝึกหาย ใ, หใจลึกๆอย่างคุณส่วนใหญ่คุณหายใจสั้นนะฝึกหายใจลึกๆแล้วผ่อนคลายแล้วก็ดูร่างกายตรงไห น, นเพราะว่าคุณจะเครียดง่ายใช่ไหมเครียดง่ายเพราะว่ามันซิสิสที่เนี่ยไอ้ถ้าเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยหมายความว่าไอ อันนั้นมันสูงไอ้โซลูชันมันสูงแต่ว่าในการทํางานบางทีงานที่ไปป้อนมันมันไม่พอกับกําลังของมันเพราะฉะนั้นคุณจะต้องอเล่นตรงนี้ให้เป็นผ่อนคลายให้เป็นเพราะว่าสุขภาพต่อไปถ้าคุณทำตรงนี้ไม่เป็นมันจะมีปัญหาต่อสุขภาพมากเลยสุขภาพก็จะมีปัญหาได้แล้วนั้นต้องต้องทำเล่นเล่น ส, สบายๆผ่อนคลายวิธีการที่คุณยจะได้ผลคือต้องผ่อนคลายเพราะคุณเป็นคนเอาอะไรใช่ไหมมัน มันกล่งทั้งหมดทั้งตัวเลยนะถ้าจะเอาอะไรนะ น, นั่นรู้จักํำผ่อนคลายสบายๆก็ทำเล่นๆการทำงานได้ออกกำลังกายสนุกไปการทาแล้วก็ฝึกฝนศิลปะในการอยู่กับปัจจุบันแบบผ่อนคลายเพราะฉะนั้นทางวิธีการนี้จะช่วยได้ลองดูนะโอเค ท, ท, เอทำเล่นๆจำหนอนน้าไปก่อนก็แล้วกันแล้วก็รู้ไปเรื่อยๆนะ ก็ต่างกันที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเวลาเรานั่งกำหนดลมหายใจเนี่ยมันมีแค่สองจังหวะที่ชัดคือเข้ากับออกใช่ไหมแต่เรายกมือลักษณะรู้เฉพาะหยุดเนี่ยสิบสี่ครั้งใช่หในหยุดนี่มีการอะไรด้วยการเคลื่อนใช่ไหมเคลื่อนเท่าไหร่สิบสี่ครั้งหยุดเท่าไหร่ ส4สี่ครั้งใช่ไรวมเป็นเท่าไหร่ยี่ดครั้งในขณะเดียวลงหายใจนั่งสงบเนี่ยมีแค่สองเพราะฉะนั้นไอ้ฟรีควนซีมันต่างกันมากเลยนะระดับของความเร็วสูง28ยูนิตแต่ว่าคุณใช้ลงหายใจมันมีแค่สองยูนิตเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพต่างกันคนละเรื่องเลยหลงพอเทียนท่านก้ากว่ากันว่าทำไม่ต้องเจปีแค่สามปีพอละแต่ต้องทาให้ถูกนะ หยุดให้รู้ว่าหยุดเคลื่อนให้รู้ว่าเคลื่อนนี่ส่วนให ญ, ญ่ที่ทํากันนี่หมายความว่ามันทั้งหยู่ทั้งเคลื่อนเนี่ยมันเหลือนิดเดียวเนี่ยอันนี้ไม่ถูกแต่ถูกแต่ว่าประสิทธิภาพมันตา่างำสมมติว่าคุณนั่งกับลู้สุนัขใส่คุณพลิกปั๊บเนี่ก็สบายได้เหมันกันใช่ไหมแต่ถ้าเปรียบเทียบว่าเออแล้วคุณนั่งไปรู้สึกไม่สบายถ้าคุณซอยมันรูหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าสิบความทีมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆในการรับรู้ทีละขณะทีละขณะทีละขณะทีละขณะแต่ถ้าหากว่าคุณรู้สึกไม่สบายเป็นผูพิกเลยเนี่ยมันมีแค่อยู่นิตเดียวใช่ไหมตรงนี้สำคัญเทคนิคในการปฏิบัติพยายาม ลำดับอะไรต่างๆให้ชัดๆแล้วประสิทธิภาพมันอยู่ที่ตัวรู้ชัดนั่นเองรู้ทีและขณะทีละขณะขณะะเพราะนั้นโยคะดีแน่นอนแต่ว่าต้องทำประจำทำบ้างไว้ทำบ้างอาจจะมีปัญหาอยู่เพราะเส้นของเราเนี่ยยิ่งแก่มันก็ยิ่งหดเข้าใช่ไหมแต่ถ้าหากเราทำโยคะทุกวันมันจะแก่ไม่เป็นเพราะอะไรเพราะมันให้เกิดการ ผ่อนคลายเลือดดุเขาจะไปเลี้ยงเสียวได้เต็มที่ไงเซลล์นั่นก็จะเสื่อมช้าเสื่อช้าก็จะเกิดการผ่อนคลายแล้วก็การทําเดียวะข้าก็ทําให้ร่างกายของเราไม่มีทุกเวทนาแรงเกินไปเพราะเลือดดุของเราเดินสะดวกเวทนาเบาบางเหมาะแก่การที่จะเข้าใจอะไรได้ไวแต่ถ้าเวทนาเราทึบเกินไปเพราะว่าเราอยู่ในบทใดวันหนึ่งไม่มีการผ่อนคลายนี่มันก็เก็งเกรงเกรงเแล้วไมีมการ ผ่อนคลายพวเกร็งแล้วเลือนลมเดินไม่สะดวกในที่สุดคนก็แก่ไวแล้วเพราะฉะนั้นการเจริญสติด้วยโยคะเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาหลวงพ่อไปจัอที่ต่างปเทศหลวงพ่อให้หนึ่งชั่วโมงเลยช่วงตีสีถึงตีห้านี่ทําโยคะกันรูปแบบไห น, นแล้วบางทีก็ทําเป็นกลุ่มบางทีก็ทําจากวิดีโอบางทีก็ทําของใครของมันแล้วก็ขอให้ทําให้เต็มที่ซึ่งก็ใช้ได้นะ ก็โอเคหมดเวลาแล้ววันนี้นะก็ขออนุมทนาสาธุในความตั้งใจที่เราทั้งหลายจะได้ศึกษาเรียนรู้แล้วก็ทํ า, าความเข้าใจในสิ่งที่มันมีอยู่จริงพยายามที่จะไม่สร้างสิ่งที่ไม่มีอยู่เนี่ยขึ้นมาเพราะนั้นคือตัวภาระของจิตแท้จิตให้มันรู้เท่าที่มันมีอยู่จริงเรื่องรูปเรื่องนามเวทนาไม่เท่าไหร่รู้เท่านั้น ารู้สึกตัวเท่าไหร่มีรู้รู้เท่านั้นจิตเราก็จะไม่มีภาระอะไรเข้าไปหนักซึ่งเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาและปัญญาตรงนี้ก็จะทำให้เรารู้ความจริงได้ไวด้วยกันทุกคนทุกท่านถือเป็นลำดับสุดท้ายขององค์ฌานที่สีิติสุเอกระาะะตาทีนี้พอองค์สุดท้ายเป็น เอกขตาอุเปขาสุดท้ายก็เป็นอุเบขาสติเรียเบขาเอกขตาคืออารมณ์กับกายกับใจเป็นอันเดียวกันใจเราไม่ไปสร้างเรื่องอื่นให้รู้สึกว่ากายกับใจอยู่ด้วยกันเป็นอันเดียวกันเลียกเอกคตาเอกคตาลงอารมณ์เป็นอันเดียวกันใจก็ไม่ ไปคิดเื่ออื่นนอกจากกายกายก็ไม่ไปรู้เรื่องอื่นนอกจากใจการหลอมรวมกันของกายจะเป็นอันเดียวกันเป็นเอกตาไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องไปนั่งสมาธิจนดับดิ่งนิ่งลึกอะไรแล้ไม่ใช่อย่างนั้นนั่นก็เป็นอีกแบบหนึ่งของพราม์แต่พูทธก็คือเอกตาเราอาจจะทําการทํางานอยู่แต่กายจับใจสัมพันธ์เป็นอันเดียวกันตลอดก็เป็นเอกาตา สามารถเข้าฌานได้ในขณะที่ทํางานจะไปเอกคตาลมก็ทุกคนก็เป็นอยู่แล้วใช่ไหมเวลาปฏิบัติแบบนี้ใจล้วก็นิ่งอยู่การเคลื่อนไหวนี่เป็นองค์ฌานแล้วทั้งท่านที่ทําอยู่นี่มันก็เป็นองค์ฌานฌานแบบพานเราจะนั่งเข้าขาขวาทวาับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตรงตตรงลมหายใจกดสะกดจิตให้ดับที่นิ่งสนิท จนลืมบทรุท้สิอย่างเถิดจิตสงบเป็นดวงเดียวเป็นสมาธิแบบแบบพรามแตบบพุทคือกายเคลื่นอนยังไงใจก็เคลื่อนตามใจเคลื่นอนยังไงกายก็เคลื่อนตามทันกันมันก็แสงกับสิ่งที่มันส่องเป็นเป็นเส้นเดียวกันไม่ออกจากกัน เอกตาเวลาตะวันเที่ยงเลยใช่ไหมแสงอยู่ตรงหัวพอดีไม่มีเงาแสงกับตัวเรากลายเป็นสิ่งเดียวกันเดวกเอกคตาความรู้สึกกับกายเป็นอังเดียวกันเป็นเอกตาตัวสมถะเนี่ยท่านใช้แก้ปัญหาว่าในช่วงนั้นจิตถ้าพเราไม่มีที่อารมณ์เกาะเกี่ยวที่ชัดเจนมันจะวอกแวกไป กับความคิดกับอารมณ์รอบข้างเนี่ยพอเรากําหนดให้จิตมาอยู่กับจุดใดจุดหนึ่งของร่างกายให้จิตจดจ่ออยู่นั้นเป็นสมาธิแก้อารมณ์ทีม่มันปุงแต่งปุ่งสร้างหรือการกระทบที่มันรับการกระทบไวเนี่ยนะเจ้ก็ทําดึงจิตนั้นมาโฟกัสมารวมอยู่ณนะจุดใดจุดหนึ่งของของกายแต่ว่าบางทีรวมจุดใดจุดหนึ่งมันไม่เข้มแข็งพอ ก็กำหนดเป็นบริกรรมขึ้นมาเป็นนับก้าวก็ได้หรือนับลมหายใจหรืออะไรกำหนดแล้วได้กำหนดขึ้นมาจิตมันก็จะเข้าไปรวมอยู่ตรงนั้นได้ก็เป็นการใช้เป็นบางควบางคราวได้เป็นใช้สมมติว่าเราสติยังไม่เข้มแข็งพ อ, งอจิตของเราได้รับอารมณ์อะไรที่วกแวกวันไหวง่ายก็ส ม, มาธิเข้ามาช่วยวัะ น, นั้นก็ใช้ โฟกจิตไปอยู่จุดใดจุดหนึ่งมันนั่งสร้างจังหวะบางครั้งจิตมันก็ยังวกแวกไปเรื่องนั้นเรื่องนั้นเขาก็ไอ้บางคนก็อัดจนตามลมหายใจไปด้วยําหนดรู้เคลื่อนไหวไปด้วยพอสักพักพอจิตมันส่งตัวได้ก็ก็ทิ้งกลับมาอยู่การเคลื่อ น, นไหวปกติจนจิตมันส่งตัวงมันเองได้แต่การที่ไปทํอย่างนนจนเป็นนิดเลยจนกระทั่งว่าจิตมันไปนติดอย่างนี้ก็กถือว่าไม่ใช่แบบจเจริญสติละ พอเราไม่ได้ใช้สมาธิเข้ามาเพื่อแก้ไขสถานการณ์ในขนาดนั้นเราใช้สมาธิเป็นยึดไปเลยสมาิสงบต่ออีกันนี้ก็ต้องระวังในการใช้เหมือนกัน <c oughs> บอกคนบางคนว่าเอ่ยเวลาคุณทานข้าวารเนี่ยนะคุณทานข้าวก่อนแล้วก็ไปคันกลับทีหลังทานทีละอย่างแต่มันมีสักสามอย่างกินผักให้หมดก่อนแล้วก็ตรงนั้ก็กินน้ําพริกอย่างเดียว กินน้พริกจบแล้วค่อยมากินข้าวอย่างเดียวเนี่ยยมว่าอร่อยไหมไม่อร่อยบางทีกินน้ำพริกอย่างเดียวก็เผ็ดอย่นางหนักมันไม่สมดุลกันนะเพราะฉะนั้นคือเราไม่ต้องไปเป็นกดายดูนะดูตามเหตุปัจจัยว่าเออในขณะ น, นี้เราช่วงเช้าตั้งแต่แปดมงคร่งถึงสิบ0มงครึ่งหรือสศษโมงครึ่งเนี่ยเป็นช่วงยาวสามชั่วโมง ถ้าเรานั่งอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหมันคงจะวิกฤตพอสมควรแต่ถ้าหากว่าเราเอาสาระอย่ไปเอารูปแบบสาระมันที่เราทำเดินก็ดีนั่งก็ดีสาระมันคืออะไรสาระมันคือความรู้สึกชัดชัดใช่แล้วก็การขณะที่เรานั่งไปนานมันปวดมันเมื่อยมันเบื่อมันเซ็งเนี่ยสาระมันเริ่มเฟดมันเริ่มมันเริ่มไม่ไม่ชัดมันเริ่มเฟดละ แต่ถ้าจะให้มันชัดไปขึ้นอีกเราเปลี like man, ่ยนจากท <c oughs> ่านั่งมาเป็นใหานั่งสักนิดหนึ่งครึ่งนั่งเออศาลามันตรงนี้เพราะศาลามันก็นอกจากให้รู้สึกตัวแล้วต้องเป็นเวทนาที่เบาบางทวีตใช่เปลี่ยนแล้วเรียบหมดใช่เปลี่ยนในบทนะฮะแต่ถ้าหากว่าเราเปลี่ยนในบทได้โดยที่ไม่เวทนา บีบคั้นแล้วก็จิตของเราก็ไม่มีอะไรบีบคั้นให้หนักดวงสามารถอยู่ได้ในบทนั่งยาวนานโดยการปรับเวทนาให้เบาบางได้เสมอจิตของเราก็สามารถที่จะส่งสมาธิส่งสติอยู่ได้โดยที่ไม่เกิดมุดิดแล้วัญาฟุ้งสั้นอะไรนะเ้วก็สามารถจะใช้บทนั่งเดียวอย่างเดียวก็ได้แต่ในรู้ที่สาระสำคัญก็คือหนึ่งเวทนาเบาบางสองจิต ก็ยังตื่นตัวดีอยู่ตลอดเวลาในช่วงที่นั่นไม่เกิดอาการหุ่นมัวเศ้าหมองง่วงนิวรอะไรต่างๆไม่เข้านะก็จะใช้ดีบทนั้นก็ได้ดูที่สาระมันได้เกิดว่าเอ้เรานั่งดีบทเดียวไปสูบพุงเท่อหมุนหยีลำคานแต่เราตั้งใจไว้เราจะนั่งตลอดเรจะเปลี่ยนเป็นเดินบ้างก็กลัวว่ามันจะเสียความตั้งใจของเราอย่างนี้ไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นดูที่สาระนะเราเวลาเดินนีเหมือนกันเดินตั้งแต่ช่วงบ่าย ใบโมงถึงบ่าสี่โมงห้าโมงเนี่ยโดยร่างกายสังขารเราต้องแบกน้ำหนักโดยเองตลอดแล้วก็เกิดการปวดเมื่อยเกิดการเหน็ดเหนื่อยเกิดการทุกขเวทนาเนี่ยตรงนั้นสาระตรงความตื่นตัวความเบาสบายเวทนาเบาสบายมันก็หายไปใช่ไหมไอตัวที่เป็นทุกขเวทนาตัวอกุศล ต่างมันร่มเข้ามาตรงนั้นแต่เราก็ทั้งใจว่าเราจะเดินตลอดถ้าจะเปลี่ยนเพื่อไปนั่งเก้าอี้บ้างนั่งกับพืนโกยเสียความทั้งใจอย่างนี้ก็ก็ไม่ไม่ไม่ไม่ตรงสาระที่เราต้องการโลกเกินเปลี่ยนได้แต่ถ้าหากว่าเราสามารถเปลี่ยนอยบทยืนได้โดยตลอดเวทนาก็บาบางแล้วก็สภาพจิตก็ตื่นตัวไม่ปุงแต่งไม่ปุ่งสรางนิวรณ์ไม่รบ ก, กวนก็เดินได้ตลอดได้เหมือนกัน เ น, นันดูที่สาระไม่ต้องยึดตายตัวที่รูปแบบนะเมื่อวานอีกทีหนึ่งว่าลักษณะของความรู้สึกตัวเนี่ยถ้าหากว่ามันชัดเจนที่สุดแล้วเนี่ยความคิดมากระทบมันก็ดับเองเหมือนไฟตกใส่น้ําแต่ถ้าหากว่ากําลังของความรู้สึกตัวหรือสติไม่ไม่ไมค่อยเข้มแข็ง พอๆอกับความคิดที่มากระทบพอความคิดที่มากระทบก็รู้สึกตัวอยู่แลวก็มีความคิดอยู่การที่เราไปเห็นความคิดว่ามันกำลังคิดอะไรอยู่โดยที่เราเห็นมันอยู่เนี่ยลักษณะนี้ก็ถือว่ า, ายังไม่เป็นอันตรายเพราะต่างคนต่างรู้ก็อยู่มันก็เดินเดินเคียงคู่กันไปแล้วก็อักษณะที่สาม ก็คือสติเรากําลังอ่อนกว่าความคิดใช่ไหมลักษณะอย่างนั้นเราจะเข้าไปเป็นความคิดเลยหายเข้าไปในความคิดเลยเพราะถูกอํานาจของความคิดดึงดูดไปเราก็เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์นั่นเลยลักษณะ น, นี้อันตรายเพราะฉะนั้นตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันก็จะมีสามระดับอย่างว่าระดับที่ชัดที่สุดก็ความคิดมากระทบมันดับเองระดับที่ชัดบ้างไม่ชัดบ้างรู้ตัวบ้างไม่รู้ตัวบ้าง อันนี้ก็พอได้แต่ถ้าความรู้สึกตัวต่ํางกว่านั้นหรือหร อ, อ่อนลงกว น, นั้นปั๊บก็ถูกความคิดดูดออกไปแต่พอมาเร่งความรู้สึกให้ชัดขึ้นความคิดก็เริ่มถอยห่างความรู้สกึกชัดขึ้นเพราะฉะนั้นมีสารระดับเนี่ยแต่ขณะนั้นความคิดที่ว่านั้นต้องเป็นความคิดที่ว่าไม่เข้มหรือไม่เป็นอารมณ์ที่เข้มคนมากเกินไปนะถ้าความคิดที่มีอุปทานเข้าไป วงแต่งเข้มข้นมากเกินไปเช่นโยมได้ยินเสียงเดียงกลั้นแกงแกงแก ง, แกงเอไม่เสียงอะไรตอนแรกก็าไม่สงสัยเดี๋ดีเสียงถึงดังดั ง, ด ง, ด ง, ดงแล้วก็เดินอดไม่ได้เข้าไปในความคิดเลยทีนี้พอจิตมันวิ่งไปอยู่เสียงนะี่ยพอเห็นคนเสื้อแดงกําลังลากตัวลา ก, ลา ก, ลากอะไรมาก็นึกว่าคนบา้ามาลากโตัวทีนี้สติหลุดเลย เฮ้ยไดูไ ป, ไ ป, ไปเนี่ยคนด่ว่าคนดีหรือเปล่าเนี่มันกำลังลากโต้เนี่ยทีนี้ก็เลยพอสติหลุดเข้าไปป๊อปตัวนี้ป๊อปก็เลยทําให้ออกมาเป็นกรรมกายวาจากายใกรรมวิจิกรรมมนุกรกรมวงาพอกรรมมาก็กรรมนี่แรงมากไปกระทบถึงคนหลายคนคนก็ต้องวิ่งมาดูคนบ้า จ, จริงหรือเปล่าสอบไปสอบมาผมไม่ใช่เขากำลังเหยายโต้มาเหยียบขึ้นเพื่อไปกวาดขยบขะบนหลังคาเท่านั้นเองเอาก็เหตุการณ์เกิดไปแล้ว อันนี้เหตุการณ์เพิ่งเกิดตอนกลางวันนี้เองเนะเพราะนั้นจะเห็นว่าไอ้สิ่งที่มากระทบเนี่ยสําคัญอ่าสอบไปสอบมาว่าคนคนนี้เขาประสาทนิดหน่อยแต่เขามาเก็บประกอบแต่ว่าจาย์ใชใ้เขาไปกวาดขยะบนหลังคาแต่เขาขึ้นมาอะไรหาอะไรไม่เจอเขาก็ลากโต๊ะที่ไอ้ตากไอ้ถ้วยตากจานนี่มาเหยียบขึ้นแต่มันดังไปหน่อยนะนยแล้วก็ฟังเออนี่นะ ผนนู้ที่เสรมีสติเข้มแข็งก็ฟังก่อนอพูดเส้นี้สติไม่เข้มแข็งก็ไอะอะไรก็รีบไปตามเสียงนั้น น, นนะเพราะเข้าไปในรูปเข้าไปในความคิดเต็มที่แล้วสติก็ขนาดนั้นอ่อนเต็มที่เอางั้นเถอะ้นลักษณะอย่างเงี้ยเหตุการณ์จําวันมีต้องเยอะแยะใช่ไหมนั้นลักษณะนี้นเรียกว่าอุปทานเข้มขน้นความอยากเข้มขน้นเพราะฉะนั้นแม้แต่สติจะชัดกันนะไรมันก็ถูกดูดไปได้เพราะฉะนั้น ความเข้มข้นของการกระทบขนาด น, นั้นก็มีอิทธิพลสำคัญเพราะนั้นถ้าไม่ตั้งสติเข้มแข็งจริงๆเนี่ยไม่ชำนาญในการปกครองจิตจริงๆเนี่ยมันต้องไหลไปตามสิ่งที่มากระทบเพราะฉะนั้นเราจึงตั้งเกณฑ์ความชัดเจนให้ให้เข้มแข็งไว้ก่อนเผื่อว่าเหตุการณ์ที่มากระทบแต่และอย่างเราไม่สามารถจะรู้ได้ว่าไหนมันเข้มมันไม่เข้มมันไหนแต่ถ้าตั้งสติชัดไว้ก่อนเนี่ย แม้แต่มาคิ้มๆแล้วก็ปะทะได้เหมือนกับก้อนไฟใหญ่ๆพอตกใส่ผ้าชุ่มๆเนี่ยมันก็เฉพอจะไหม้ได้เพระชุมไม่มากพอก้อนไฟเต้ใหญ่ไปตกใส่น้ําจุ่มไปเลยดับนี่ก็มีหรือว่าตกใส่ผ้าพอชุ่มบ้งแห้งบ้างเนี่ยไหม้เลยก็มีเพราะไฟนั้นก้อนใหญ่เพราะฉะนั้นทําให้น้ำเยอะๆไว้ก่อนถึงปลอดภัยมีอะไรตกเข้าไปก็ปลอดภัยเคือสติให้ คนรู้สึกตัวให้ชัดด้วยก่อนปลอดภัยแต่ว่าก็สียีเองก็ไม่เที่ยงใช่ไหมไอ้ช่วงแรกๆมันก็ชัดดีเอาต่อๆไปมันชักไม่ค่อยชัดแล้วอันนี้ก็อาศัยการปรับมาพูดถึงบ่อยๆว่าสมัยที่เราพ่อแม่ปู่ย่าตายายเราเนี่ย ห, งหุงข้าวนึ่งข้าวเนี่ยเขาใช้ฟืนใช่ไหมตอนแรกๆมันก็ลุกพรงพรงพรงพรงดีใช่ไหมพอหันไปทําอื่นสักพักกลับมาเอาไฟมันมอดอย่แล้วให้ข้าวทานจะจะสุกไวก็ช้า ทีนี้ทางที่ดีก็ไม่ต้องไปดูขนาดที่ตั้งข้าเราอยอยู่ไกลทําท่าไฟมันเท่าจะมอดก็ก็เคียๆฐานเคี่ยวคำออกนะไฟก็แบบนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นการเจริญสติมันทําท่าจะสติทําท่าจะอ่อนมีเวทนาค่อนข้างจะเข้มแล้วนิวรณ์องจะกลัวนี่นะก็ต้องปรับปรับดีจยปวดปรั บ, รบอารมณ์ให้มันตื่นตัวขึ้นมาใหม่มันก็ปลอดภยัยเพราะนั้นตัวปรับให้เวทนาเบาบางให้สติให้ชัดไว้เสมอนเนี่ย เป็นหน้าที่ของของเราที่ปฏิบัติต้องทำอย่างนั้นแต่บา ง, งส่วนใหญ่ไม่รู้ไม่เท่าทันอะ่ะพอไปสักชั่วโมงที่ 2, 3, สองที่สามสติกำลังสติชักอ่อนมากชักเฟสแล้วก็ถูกนิวรณ์ข้อเงาถูกความคิดข้อเงาก็ลา้าก็เหนื่อยก็ถอยไปเพราะไม่ขยันในการปรับมีความเพียนไม่ถูกอน่งนี้เข้าใจไหมโอเค ตื่นอยู่ปรับอยู่เสมอคําว่าความเพียรดีเนี่ยคือหมายความีการปรับปรุงอยู่เสมอเพราะเรารู้ว่าสติมันไม่เที่ยงเหมือนกันใช่ไหมแบบนี้ยังทุกขั้งน่าตายอยู่ยังไม่เป็นอัตโนมัติเพราะสติยังไม่เป็นปัญญาโดยสมุนเพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเฟซจะอ่อนลงมันก็มีเพราะฉะนั้นเราคอยรู้ความเปจริงเขง้ามาเนี้แล้วคอยปรับเสมออย่างสมมุติเรานั่งนานๆถ้าเราไม่เพลินเนี่ยเราจะรู้สึกเออหนักใช่ไหม แล้ค่อยปรับปรับแล้ว ก, วก็ให้รู้สึกตัวแค่นั้นเองคือสาระของมันคือเวทนาเบาบางเพราะเวทนาหนัก้างๆมันก็ไปบีบคั้นจิตก็เกิดนิวรณ์ง่ายๆนี่คอยสังเกตศึกษาแล้วค่อยแก้ไขไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้ความเพียรต่อเนื่อง ออนะเขาก็ต้องรู้จังหวะเราถ้าอยให้ลูกสึกตัวตลอดองี้ก็เดี๋ยวก็ไปเป็นยึดคอยรู้สึกสติเป็นตัวตนขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นรู้สึกมันชัดก็ทําสบายๆไม่ต้องขยันว่าให้มันชัดกว่าเดิมมันจะเป็นตัวอยากขึ้นมาไปเห็นสติเป็นตัวตนก็เกิดปัญหาใหม่ขึ้นมาอีกเข้าใจไหมผมตั้งใจ วันพระอาจจะมีความตั้งใจมากหน่อยวันธรรมดาอาจไม่ใช่วันพระอุปทานตัวนั้นอาจจะน้อยหน่อยตรงนี้นะอยู่ที่ตัวตั้งใจของเราเพราะนั้นถ้าหากว่าเราไอ้ธรรมเนียมประเพณีสมมุติต่างๆเนี่ยเพื่อเป็นการโมดิเวตหรือสร้างแรงจูงใจให้กับคนที่ยังศรัทธาและปัญญายังไม่มั่นคงต้องอาศัยสมมุติเข้ามาช่วยกระตุ้นวันนี้เป็นวันพระนะวันนี้เป็นวันพิเศษนะวันนี้เป็นวันเกิดนะเป็นี้งไ คนนั้นจะมาในตั้งใจหนนะ่อยนะอเนี้ยคืออาศัยเหตุปัจจัยภายนอกเป็นแรงจูงใจเพราะศรัทธาและปัญญายังไม่มั่นคงแต่คนที่มีศรัทธาปัญญามั่นคงแล้วเนี่ยจะไม่เหตุมาอาศัยเหตุจูงใจข้างนอกมาเป็นตัวกระตุน้นแต่จะอาศัยสาระที่เกิดขึ้นขณะ น, นั้นไม่ไม่ไม่อาศัยว่าข้างนอกจะเป็นแรงจูงแรงชักไงไม่ไม่ไม่ให้ความสําคัญตรงนั้นหลังจากที่ศรัทธาและปัญญาเรามั่นคงนะ แต่เป็นธรรมดาที่สรัทธาปัญญาไม่ควรก็น้อยอาศัยแรงจูงใจข้างนอกบ้างข้างในบ้างเป็นตัวสร้างกำลังใจก็ใช้ได้เข้าใจนะโอเคข้ออธเพิ่มเติมนะคะที่พรเพียรพูดอยู่สัญญาว่าไงนะสัญญาสัญญาขันคุณว่าให้จบเดี๋ยว่าท่านพระคุณมาทั้งหมดท่านพูดถึงเรื่องอะไร เขจะใช้คําว่าให้เป็นสัญญ า, าขันเป็นสัญญาตัวใหม่สัญญาตัวเก่ามันคือเป็นความจําได้หมายรู้ตามอานาจของความอยากของกิเลสใช่ไหมแต่พอมาสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยทำให้สัญญาขันแล้วนั้นมีกําลังไม่ให้ไปเป็นตามอานาจของกิเลสเป็นสัญญาของอขันท่าของวิชาเมื่อก่อนรูปเวทนานะสัญญาสังขารเนี่ยมันไปตามเอาวิชาคือความเคยชินใช่ไหมนั่นเป็นสัญญาที่จะทําให้เกิดทุกข์เป็นทำให้เกิดทุกข์ แต่พอ ม, มาสร้างสติความรู้สึกตัวเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยก็ทํางานเหมือนเดิมแต่ว่ามันเป็นตัวรับชายไปตัววิชาคือความรู้สึกตัวสัญญาตอนนี้เป็นสัญญาตัวใหม่พร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นปัญญาสัญญาของหลวงพ่อเทียนนี่ก็เป็ น, นเป็นสัญญาเหมือนเหมือ น, อนในปริยัติใช่ไหมคะก็เหมือนกันญญนะใช่ใช่จนจําได้หมายรู้ที่เป็นไปในทางที่เป็นปัจจุบันธรรม ก็เป็นสัญญาของที่เป็นวิชาเป็นสัญญาที่จะแปลงเป็นตัวเป็นปัญญาแต่ถ้าหากเราจําได้หมายรู้ที่ที่ยังไม่เข้มแข็งมันก็ยังเป็นสัญญาอ่อนๆอยู่มันยังไปสําคัญมันหมายที่มันจําเป็นลูกเป็นตนเป็นตัวเป็นสัญญาแบบสมมุติอยู่แต่ถ้าเป็นสัญญาที่เป็นของวิชาเป็นสัญญาแบบปรมาจา์คือจำได้หมารู้เฉพาะที่เป็นปัจจุบันธรรมเท่านั้นในสิ่งนี้เป็นอดีตอนาคตไม่ต้อง จำไม่ต้องนึกเอามาคิดมาปุ่มมาแต่งเพราะอันนั้นสัญญาเดินเป็นสัญญาที่เป็นสมูทัยให้เกิดทุกข์เป็นสัญญาของอวิชชาแต่สัญญาที่ท่านพูดถึงหมายถึงสัญญาของวิชาคือจำได้ไหมายรู้เฉพาะสิ่งที่เป็นปัจจุบันที่มากระทบแล้วรู้ก็เออนี้เสียงสัตว์วัยเสียงก็รู้ว่าเสียงเป็นสัญญาเหมือนกันอเออมันคิดนะก็รู้เอสัญญาเออนี่ความคิดนะาไม่ปุงแต่งไปตามพอรู้ก็จบตัวนี้สัญญาเนี้ก็จะแปลงเป็นปัญญาทันที นี่เป็นสัญญาัวใหม่ที่พร้อมจะแบ่งเป็นปัญญาเข้าใจไหมก่อนนี่อาจจะสืบเนื่องว่าแต่วันก่อนที่หลวงพ่อพูดถึงเรื่องว่าตัวที่จิตจะได้สํานึกให้เป็นจุดรู้สํานึกขึ้นมาให้หมดเนี่ยเพื่อที่จะมันจะเป็นจิตรู้สํานึกขึ้นมาได้แต่ว่าสติมันสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆถ้าสติยังไม่สมบูรณ์จิตได้สํานึกก็ยังมีอยู่ตามส่วนเหมือนกับ ในพระจันทร์น่ะถ้าหากว่ามันหมุนไปจนวันสิบห้าค่ำมันค่อยเต็มดวงพอดีนีดนิดใช่ไหมถ้าพระจันทร์เต็มดวงปั๊บส่วนที่มันขาดมันแหวง่งมันมืดไปก็ไม่มีสมมุติว่าเราทําเป็นทีนี้ส่วนมืดถ้าวันสิบค่ำสิบเอ็ดสิบสองค่ำส่วนมืดมันก็เหลือแค่สิบเป็นยี่สิเอร์เ็น่ะสิบ้าค่ั๊บมันเต็มดวงพอดีส่วนมืดก็หายไปที่ไต้สํานึกหมายถึงส่วนที่เป็นส่วนมืด จิตรู้สํานึกเป็ส่วนที่เป็นส่วนสว่างเมื่อไหร่เราพยายามเจริญสติจนจิตให้รู้สึกดัวจิตแท้สำนึกก็พยายามกินเนื้อที่ลึ ก, ล ก, ล ก, ลกขึ้นไปจนกระทั่งไปเปลี่ยนจิตสับควเชื่อทั้งหมดในสิ่งที่มากระทบทั้งหมดพอเรารับรู้กระทบปั๊บเรารู้กระทบปั๊บเรารู้เนี่ยโอกาสที่ยังไปไปปรุงเป็นจิตแท้สํานึกก็ไม่มีละเป็นจิตรู้สํานึกทั้งหมดส่วนมืดก็หายไปด้วยตัวรู้สึกดัวที่หัวพร้อม มีอะไรมากระทบปับ๊บแต่ถ้าหากขณะไหนความรู้สึกตัวทว่า ม, มันขาดหายไปเพรากระทบปับ๊บมันเผลอปรุงมันก็หลบไปไปิดจิตปิตดใจใต้สํานึกอีกอันนั้นก็เป็นข้อมูลที่มันจะต้องเก็บไว้โดยด้วยอํานาจของอวิชชาตัวนั้นก็ยังทํางานต่อไปเมื่อมีการปรุงแต่งตัวจิตไร้สํานึกมันจะทํางานแต่เมื่อเรบเผลอแล้วก็ปรุงแต่งเพราะแสดงว่าจิตใต้สํานึกเรายังมีอยู่แต่นั้นเมื่อจิตรู้สํานึกมันสมบูรณ์แล้วเนี่ยอาการเผลอไม่มีความปรุงแต่งก็ไม่มีเพราะจิต ได้สำนึกมันไม่สามารถจะทําหน้าที่ได้เหมือนกับไอแสงสว่างมันเข้าถึงแล้วเนี่ยความมืดมันก็ไม่สามารถจะอยู่ได้มันก็ต้องหายไปโดยธรรมชาติของมันเข้าใจไหมโอเคจบหมดเวลาขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจที่เราทั้งหลายที่ยยพยายามศึกษาเรียนรู้ต่อไปแล้วก็พรุ่งนี้หลวงพ่อคงจะกลับบันได น, ะ น, ะนะั่นแหะเพราะว่า เตยมที่เพราะว่าคนบางคนต้องการว่าดอยนี้ต้องการเก็บอารมณ์เฉพาะเข้มเท่านั้นเองไม่มีเบสิกแล้วคนไหนต้องการทำห้าวันเจ็ดวันสิบวันก็ทําต่อแต่ถ้าหากว่าแต่ว่าทําแบบว่าสําหรับคนเข้าใจแล้วนะสําหรับเบสิกยังไม่รับามาที่นี่ก่อนสำหรับคนที่มีประสบการณ์พอสมควรต้องการที่เบฟเฟอ อารมณ์มุนไปครบวงจรยังไงเป็นยังไงเนี่ยการศึกษาในรายละเอียดตรงนั้นก็จะไม่มีทามําวัดสวดมนต์สงฆ์ข้าวรับอาหารร่วมกันไม่มีรับข้าวไปทานแล้วก็ปฏิบัติอย่างเดียวเวลาทาําวัดสวดมนต์เป็นแต่บางวันที่ต้องการไปให้มาสอบอารมณ์เท่านั้นที่ทำที่นัน่นนะก็อาจะเมื่อต้องการคนมากต้องการคนจริงอีกคนก็ได้ อย่าทำก็ควรบทนาสาธุให้ตั้งใจศึกษาเรื่องนี้ให้เข้าใจด้วยกันทุกคนนะกลับไปพร้รอมกัน